ในโกสัมพีสูตรสังยุตตนิกายนิทานวัร์ท่านพระประวิทธะได้กล่าวคำนี้กับท่านพระมุสิละว่าท่านมุสิละโดยไม่อาศัยศรัทธาไม่อาศัยความถูกกับใจคิดไม่อาศัยการเรียนรู้ตามกันมาไม่อาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผลไม่อาศัยความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยตฤษี ท่านมุสิละมีปัจจตยานการรู้เฉพาะตนหรือว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีท่านพระมุสิละตอบว่าท่านประวิทธะผมย่อมรู้ย่อมเห็นข้อที่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีนี้ได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาความถูกกับใจคิดการเรียนรู้ตามกันมาการคิดตรองตามแนมเหตุผล ความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทรษดีเลยทีเดียวจากนี้ถามตอบหัวข้ออื่นๆในปฏิจจสมุปบาทตามลำดับทั้งฝ่ายอนุโลมปฏิโลมจนถึงภวะนิโรธเป็นนิพานอีกแห่งหนึ่งในปริยา ย, ยสูตรสังยุตติกายสลายตนาวัตรพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ามีปริยายบ้างไหม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 สิ่งอื่นที่ต้องทำเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีเหลืออยู่อีกพิกสุทธ์ทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นต้นเดิมเป็นผู้แนะนำเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาศขอเนื้อความแห่งพาสิทนี้จงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิด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 เรื่องที่ว่านี้ต้องเห็นด้วยปัญญาจึงทราบไม่ใช่หรือกราบูนว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสรุปว่านี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่ภิกษุจะใช้พยากรอาราตผลได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาจากนี้ถามตอบไปตามลำดับอาญัตนาอื่นๆในทำนองเดียวกันจนครบทุกข้อเมื่อมีญาณทัศน คือการรู้การเห็นประจักษ์แล้วก็ไม่ต้องมีศรัทธาคือไม่ต้องเชื่อต่อผู้ใดอื่นดังนั้นพุทธสาวกที่บรรลุคุณวิเศษต่างๆจึงรู้และกล่าวถึงสิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเชื่อต่อพระศ า, าสดาเช่นในนิคันทสูตรสังยุตตานิกายสลาญตานวัคได้มีคําสนทนาถามตอบระหว่างนิครณ น, นาตบุตกับจิตตะเครืหบดีผู้เป็นพุทธสาวกฝ่ายอุบาสก ที่มีชื่อเสียงเที่ยวชาในพุทธธรรมมากนิครนถามว่าแน่ท่านขรรหาพอดีท่านเชื่อพระสมณะโคดมไม่ว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารได้มีอยู่จิตตะขรราพดีตอบว่าในเรื่องนี้ข้าพระเจ้ามิได้ยึดถือด้วยศรัทธามิได้เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคว่า สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจาร์ได้มีอยู่ข้าพระเจ้านี้ทันทีที่มุ่งหวังก็เข้าปฐมฌานอยู่ได้เข้าตุติยฌานอยู่ได้เข้าตัดยฌานอยู่ได้เข้าจตุตฌานอยู่ได้ข้าพระเจ้านั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงไม่ยึดถือด้วยศรัทธาต่อสมณะ หรือพรามผู้ใดผู้ใดว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารณ์ได้มีอยู่ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเป็นญาณทัศน์ถึงที่สุดจึงมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าอัสศทะซึ่งแปลว่าผู้ไม่มีศรัทธาคือไม่ต้องเชื่อต่อใครๆ ในเรื่องที่ตนรู้เห็นชัดด้วยตนเองอยู่แล้วดังจะเห็นได้จากพุทธดำรัสสนทนากับพระสารีบุตรในปุปพะโกตกษษษสูตรสั่งยุตินิกายมหาวารวักพระพุทธเจ้าตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอเชื่อไหมว่าสัตทินซีที่เจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมอยั่งลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่หมาย มีอมตะเป็นที่สิ้นสุดวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินรีก็เช่นเดียวกันพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ได้ยึดถือด้วยศรัทธาหรือเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคแท้จริงคนเหล่าใดยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ทราบยังไม่กระทำให้แจ้ง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 มองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้วข้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีความสงสัยไม่มีความแกลงใจในเรื่องนั้นว่าสัตถินสีเวรีนินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หมายมีอมตะเป็นที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าจึงมีพระธรรมว่า สาธุสาธุสาริบุตร